สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่26สสุภาษิตบทที่26บข้อ2ี่จนถึงข้อที่28ครับโปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าลิ้มฝีปากที่ราบรื่นกับใจที่ชั่วร้ายก็เหมือนน้ำยาเคลือบที่อาบอยู่บนภาชนะดินบุคคลที่เกลียดผู้อื่น ก็สพรด้วยลิ้นของตนและตอแหลอยู่ในใจเมื่อเขาพูดอย่างใจกรุณาอย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งหน้าเกลียดหน้าชังร้อยแปดอยู่ในใจของเขาถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยเล่ความชั่วร้ายของเขาเผยออกในที่ประชุมบุคคลที่ขุดหลุมพรางเขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมามันจะกลับทับเขาเองลิ้นที่มุสาเกลียดชังผู้ที่มันทำลายและปากที่ป้อย อ, อก็ทำความพิดนาศพี่น้องครับพระกัมพีตอนนี้อยากจะให้หัวข้อก็คื อ, คอจงระวังคนตอแหลคนตอแหลถ้าเปิดดูในพระจันุ ก, กุมนั้นก็คือคนที่พูดบท โโดยที่มีความร้ายกาศมีท่าทีมุ่งร้ายอยู่ในใจพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่24นะครับก็พูดนะว่าบุคคลที่เกลียดคนอื่นก็สอพรอด้วยลิ้นของตนและตอแหลอยู่ในใจปัญกมพีไม่ได้เรียร์ออที่จะใช้คำว่าตอแหละนะครับดูเหมือนว่าตอแหลนั้นเป็นคำที่ออกจาตลาดตลาดหรือชาวบ้านไปหน่อย แต่ก็สะท้อนถึงความร้ายกาจของคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เพียงครับเรามาดูกันครับว่าพระกัมพีสอนอย่างไรในข้อยีบสาครับเริ่มต้นด้วยคําว่าริมฝีปากที่ราบรื่นกับใจที่ชั่วร้ายนั่นหมายความว่าปากกับใจไม่ตรงกันนะครับริมฝีปากของเขาก็พูดคําที่ดีทาที่สวยงามคําที่รื่อนหูแต่ใจของเขานั้นชั่วร้ายยิ่งหนัก การประจบประแจงก็เปรียบเสมือนกับเป็นริมฝีปากที่ราบรื่นการประจบประแจงนั้นแท้จริงแล้วมีค่าน้อยครับหรือไร้ค่าดูเหมือนแพงแต่แท้จริงแล้วมันราคาถูกการประจบประแจงนะครับถ้ามีความหลอกลวงอยู่ในใจหรือความประจบประแจงที่มันคลุมใจที่ชั่วร้ายคมภีใช้คาว่าริมฝีปากที่เร่าร้อน ตรงนี้ก็สะท้อนครับสะท้อนถึงการใช้คาพูดที่ไม่ตรงกับใจการใช้คาพูดที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมการใช้คาพูดที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงถ้าหากว่าคนฟังนั้นก็อาจจะเคลือบเคลิ้มได้คนฟังก็นึกว่าอือเขามาด้วยความจริงใจพี่น้องครับจงระวังคนพวกนี้ครับคนที่ชอบประจบประแจงคนที่ชอบเอาใจคนที่ชอบที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับเรา อย่างไม่จริงใจนั่นแหละคือคนที่กำลังจะทำให้เราเสียหายครับในพระเจ้าของพระเจ้าในข้อที่2 4ถึงได้กล่าวต่อไปว่า mm. เมื่อเขาพูดอย่างใจกรุณาอย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งหน้าชังร้อยแปดอยู่ในใจของเขาถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยเล่ความชั่วร้ายของเขา เผยออกในที่ประชุมพี่น้องครับพระเจาแผนะพระเจ้าตอนนี้ก็ได้พูดว่าในที่สุดแล้วทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายในทุกในที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะปรากฏชัดเจนออกมาบ่อยครั้งครับที่ผู้คนที่เกลียดชังและผู้คนที่ชั่วร้ายก็กล่าวต่อบรรดาผู้ที่พวกเขาเกลียดชังด้วยถ้อยคําที่งดงามพี่น้องครับนั่นเป็นกรณีที่ศัตรูนะครับทํา กับศัตรูเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าได้สอนเราครับซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าว่าเราอย่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นและเราเองก็ต้องระวังผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเราอย่าไปตกอยู่ในหลุมพรางที่มีความเกลียดชังร้อยแอย่างตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นกับดักครับกับดักที่หลุมพรางที่มีของเน่าของเหม็นนะครับอยู่ข้างใน ตกลงไปแล้วก็ตัวเองก็เน่าเหม็นครับตัวเองก็กลายเป็นคนที่ชอบคนประจบประแจงชอบคนเอาอกเอาใจชอบคนชะเลียครับพี่น้องครับอย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อเขาข้อ26ถึงข้อ28ได้กล่าวว่าเขาปิดบังความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยเล่ความชั่วร้ายของเขาจะเผยออกในที่ประชุมเมื่อเรา พบกับคนเหล่านี้ครับโปรดเปิดเผยความชั่วร้ายของเขาออกมาเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกเขาจะเป็นผู้ที่สร้างพฤติกรรมที่ไม่สมควรต่อไปก็ยีบครับบุคคลที่ขุดหลุมพรางเขาจะตกลงไปเองผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมามันจะกลับทับเขาเองลิ้นที่มุสาเกลียดชังผู้ที่มันทำลาย ปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศพี่น้องครับในที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นคนที่พยายามจะวางกับดักเพื่อนบ้านของเขาคนที่ขุดหลุมพรางนะครับเพื่อที่จะจับบางสิ่งบางอย่างในที่สุดเขาพบว่าตัวเองก็พัวพันในปัญหาที่เขาวางไว้ในที่สุดเขาก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาในที่สุดเขาจะตกลงไปและได้รับความเสียหาย ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสร้างสมขึ้นมาความขยันมันเพียนผลงานต่างๆของเขาก็ดูไร้ค่าไปหมดพี่น้องครับลิ้นที่มุษาและปากที่ป้อยอพระครพใช้เป็นนยะสำหรับถ้อยคำที่หลอกลวงครับและมันก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อผู้ที่ได้ยินผู้ที่ได้ฟังคำโกหกคำตอแหลแล้วเอามานินทา ทำให้เกิดการแพร่กระจายบุคคลที่ถูกกล่าวถึงก็จะเจ็บปวดแต่ในที่สุดมันจะทำลายผู้พูดในที่สุดมันจะทำลายผู้พูดมีคำพูดอย่างนี้ครับว่าปากที่มุสาเป็นปืนที่ยิงเท้าเจ้าของมันเองปากที่มุสานนั้นเป็นปืนที่ยิงเท้าเจ้าของมันเองเพราะฉะนั้นโปรดระวังครับในที่สุดแล้วเราจะต้องกำจัดคนชั่วร้ายคน เช่นนี้ออกจากสังคมออกจากชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่มีความปรารถนาที่จะทําร้ายทําลายผู้อื่นโดยการทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการประจบสอบพลอและหลอกลวงและนําความพิราษมาถึงพวกเขาเองคู่กรณีหรือทั้งสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่น่าพึงรังเกียจเป็นอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะมีโอกาสที่จะปรับปรุงชีวิตของเราตรวจสอบชีวิตของเราว่าเราเองนั้นเป็นเช่นที่พระกัมพีได้กล่าวไว้หรือเปล่าและขอพระเจ้าช่วยเราในการที่สังคมของเราก็จะปราศจากซึ่งคนเช่นนี้อาเมน